นอกน้อมนมักคการพระภูมีพระพาตอาระหันตสมมาสมุทเทเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งกระทำรรและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสํารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระพุทธเจ้าสอนกรรมฐานตามสภะสวัสวรสุตร พระสูตรที่ว่าด้วยสังวรคือระวังป้องกันอาสวัทท้งปวงนำสติประฐานในพระสูตรนี้รยพุธิจิตได้จัดไว้เริ่ม ว่าพระองค์ตรัสความสิ้นแห่งอาสวะทั้งหลายแก่ผูที่รู้อยู่เห็นอยู่พระองค์ไม่ตรัดความสิ้นอาสวะทั้งหลายแก่ผูที่ไม่รู้ไม่เห็น พระพุทธภาสิทธ์เริ่มตนนี้เมื่อพิจารณาก็ยอมจะได้ความเข้าใจว่าพระองค์ตรัสว่าผู้รู้อยู่เห็นอยู่จึงจะสิ้นอาสวะทั้งหลายได้ แต่ภูมที่ไม่รู้ไม่เห็นจะสิ้นอาสวะหาได้ไหมดังนี้เมื่อจัดเริ่มไว้ดังนี้ก็ไ้นจัดขยายความต่อไปว่าข้อที่ว่ารู้อยู่เห็นอยู่นั่น ก็คือรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งอะไรได้รัสว่าก็คือรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งทำทั้งหลายที่ควรใส่ไว้ในใจและซึ่งทำทั้งหลายที่ไม่ควรใส่ไว้ในใจ และได้ตรัสอธิบายต่อไปโดยความว่าธรรมะหรือธรรมที่ควรใส่ไว้ในใจนั้นก็คือเมื่อใส่ไว้ในใจแล้วอาสวัทั้งหลาย ที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ละดับไปได้ส่วนธรรมะที่ไม่ควรใส่ไว้ในใจนั้นก็คือที่ใส่ไว้ในใจแล้วอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญงอกงามมากขึ้นดังนี้ และได้กรักไว้ว่าอาสวะทั้งหลายยอมละได้ด้วยทัศนะคือเห็นยอมละได้ด้วยสังวรคือสำรวมป้องกัน ร, ระวังยอมละได้ ด้วยการซ่องเสกย่อมละได้ด้วยการยับยังเอาไว้อยู่ย่อมละได้ด้วยการเว้นย่อมละได้ด้วยการบรรเทาย่อมละได้ด้วยการอบรมดังนี้ก่อนที่จะ ได้แสดงต่อไปก็ควรจะทราบว่าอาสะวะนั่นแปลว่าเครื่องดองหรือของดองที่เป็นสิ่งภายนอกก็เช่นน้ำเมา นำดองของเมาส่วนที่เกิดขึ้นกัจิตใจนั่นก็ได้แก่กิเลส ท, ที่ดองจิตสันดานอันนับว่าเป็นกิเลสอย่างละเอียด ก็พุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แบ่งเป็นสามคือกามอาสะวะอาสะวะคือกามเขาวาสะวะอาสะวะคือพบอวิชชาสะวะอาสะวะคืออวิชชา ฐาสวะคือกุได้แก่กิเลสดองสันดานคือความใคร่ความปรารถนาที่มีดองอยู่ในกิจสันดานของบุคคล ภ า, าวะอาสวะคือพบก็ได้แก่ี่เลดที่ดองกิจสังดาลคือความเป็นนั่นเป็นนี่ตั้งต้นแต่ความเป็นเราอันเรียกว่าอัตสมิมานะ ความสำคัญหมายว่าเรามีเราเป็นอันเป็นต้นกำเนิดของอัตตาตัวเราและเมื่อภาวะเป็นตัวเราตามาสวะก็เท่าก็เป็นของเรา คือความรักใคร่ปรารถนาต้องการในสิ่งทั้งหลายและสิ่งทั้งหลายที่รักใคร่ปรารถนาต้องการก็รวมเรียกวัาตการทั้งหมดและก็ต้องการ การนี้มาเป็นของเราจะต้องการการนี้มาเป็นของเราก็จะต้องมีตัวเราขึ้นมาโอกามาขรอบภาวะนี้เองที่เป็นเครื่องสร้างตัวเราขึ้นมา อา마สะวะเป็นข้อที่หนึ่งาวสะวะเป็นข้อที่สามเป็นข้อที่สองข้อที่สามก็คืออวิชชาสะวะอาสะวะคืออวิชชาความไม่รู้อันแรกคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นของจริงของแท้ เป็นต้นว่าความไม่รู้ในอริยสัจทั้งสี่อันเป็นความไม่รู้ที่ดอง จ, จิตสันดานอยู่ทั้งสามนี้เรียกว่าอาสวัเป็นกิเลสที่บังเกิดขึ้น ดองจิตสันดานของบุคคลของกัตวโลกทั้งกวงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเมื่อไม่รู้ไม่เห็นก็ละอาสวะเหล่านี้ไม่ได้ต่อเมื่อรู้เมื่อเห็นมันจะละอาสวะนี้ได้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 แต่เมื่อไม่รู้ไม่เห็นดังนี้ก็ละไม่ได้จึงได้ตรัสต่อไปถึงอาสวะทั้งหลายละได้โดยทัศนคือเห็นเป็นข้อแรกและก็ได้ตรัสอธิบายต่อไปว่าข้อที่ว่า อาสวะทั้งหลายละได้ดอทัศนะคือเห็นนั่นก็คืออย่างไรจึงได้จัดอธิบายไว้โดยความว่าบุตุชนคือบุคคลที่มีกิเลสหนาไม่ได้สนับ คือไม่ได้สดับคําสั่งสอนของพระอริยเจ้าทั้งหลายของสัตว์มรุษทั้งหลายจึงไม่ฉลาดรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าทั้งหลายของสัตว์มรุษทั้งหลาย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 ส่วนอริยสาวกทั้งหลายผู้ดได้สดับแล้วได้เห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายได้เห็นสัตว์รุษทั้งหลายคลาดรู้เข้าใจในธรรมะของพระอริยเจ้าทั้งหลายของสัตว์รุษทั้งหลายย่อมจะใส่ใจ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 การตั้งใจพอใจที่จะดูจะเห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายสัตว์บุตรทั้งหลายคือที่จะคบหาสมาคมที่จะเข้านั่งใกล้พระอริยเจ้าทั้งหลายสัตว์บุตรทั้งหลายเพื่อทิตเข้าใจสนับกับความคาสั่งสอน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 ในเรื่องของอัตราของทุกๆคนซึ่งคนทั้งปวงพากันใส่ใจและพากันสงสัยในอัตราคือตัวตนของทุกๆคนในอดีตบ้างในปัจจุบันบ้าง ในอนาคตบ้างทั้งนี้ก็เข้าว่าต่างมีความยึดถืออยู่ซึ่งขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการคือนามรูปหรือเวทนงงาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ว่าเป็นตัวเราของเราเพราะฉะนั้น จึงอดไม่ได้ที่จะต้องใส่ใจสนใจจะต้องคิดคํานึงต้องสงสัยเครื่อแพรงต่างๆในข้อนี้เมื่อพิจารณาดูแล้วทุกคนย่อมจะมีความรู้สึกเป็นเช่นนั้นต่อวความคิดคํานึงทั้งปวง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 มีความผัวพันอยู่กับตัวเราของเราเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเจ้าท่านจึงได้ทรงยกตัวอย่างของทุกขิคือความเห็นอันยึด อ, อยู่กับตัวเราของเรานี้เป็นต้นว่าอัตจาคือ ต, ตัวตนของเรา มีอยู่ตาคือตัวตนของเราไม่มีข้อนี้ดูน่าจะไม่ใช่เป็นความเห็นที่ตัดว่าไม่ควรใ่ใจ เพราะว่าอัตตาโตตนของเราไม่มีก็คกล้ๆกับเห็นอนัตตาแต่อันที่จริงนั้นยังไม่ใช่เห็นอนัตตาเพราะยังมีธรรมะของเรานี้ยืนเป็นหลักอยู่ธรรมะของเรานี่เองยังเป็นเครื่องยืนยันถึงความยึดถือ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 แต่ว่าไม่ใส่ใจในธรรมะที่พึงใส่ใจข้อวัดธรรมะในที่นี้ก็หมายถึงสิ่งทั้งหลายเรื่องทั้งหลายต ล, ลอดไปจนถึงธรรมอารมณ์อารมณ์คือเรื่องราว ที่บันเกิดขึ้นในจิตใจคือที่ใจคิดที่ใจด้่งริที่ใจหมกมุ่นถึงล้วนเป็นเรื่องที่เกี่ยวแก่ตามเกี่ยวแก่พบ เกี่ยวแก่โมหะคือความหลงอยู่เป็นอันมากดังเช่นเรื่องที่เรดยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเหล่านั้นอันนำให้เกิดทิพิคคือความเห็นอันเกี่ยวแก่กามเกี่ยวแก่พบความเป็นนั่นเป็นนี่ตั้งนตนเป็นตัวเราของเรา อยู่ตลอดในปัจจุบันไม่พอก็ยังลุกย้อนไปข้างหลังคือในอดีตและเก้าไปข้างหน้าคือในอนาคตอีกด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นมายาที่ปกปิด จิตใจมิให้ได้ปัญญาหรือได้ทัศนะที่จะเห็นสัจจะคือความจริงเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนให้ เห็นให้คบหาสมาคมให้นั่งใกล้พระอริยเจ้าสัตจบรุษทั้งหลายเพื่อที่จะได้ฟังคำสั่งสอนอันจะนำให้เกิดปัญญา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 ประกอบธุรการงานต่างๆไปแต่ว่าก็ต้องหาเวลามาที่จะชำระดวงตาคือปัญญาของตนด้วยการสดับรับฟังหรือว่าอ่าน คำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าซึ่งทรงเป็นพระอริยเจ้าด้วยทรงเป็นสัตธรรมุรุษด้วยซึ่งได้ทรงชี้ให้เห็นที่เป็นตัวความจริงคือตรัสสอนให้รู้จักทุกข์สัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ สมุทัยสัจจะสภาพที่จริงคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เนโรนะสัจจะสภาพที่จริงคือเนโร่ความดับทุกข์มัคคัจจะสภาพที่จริงคือมัคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอธิบายอาริยสัจทั้งสี่ไว้โดยปริยายคือทางเป็นอันมาก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 ในธรรมะของพระพุทธเจ้าผู้พระอริยยิ่งยิ่งขึ้นไปและเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะทำให้คิดทิคือความเห็นที่นานน่นอยู่ ในมายาคือสิ่งที่ไม่จริงที่ปิดบังความจริงที่ลวงตาลวงใจต่างๆให้เบาบางลงไปทำให้จิตนี้ในทัศนะคือความเห็นถูกต้อง ในสัจธรรมธรรมะที่เป็นตัวความจริงทั้งหลายมากขึ้นโดยลำดับตั้งต้นแต่ให้รู้จักผิดชอบทุน่นดีทางกรรมบทคือทางของกรรมที่ประกอบจระทำทางกายทางวาจาทางใจตลอดจนถึงให้ได้ทัศนะคือเห็น ในอริยสัจยิ่งขึ้นไปโดยลำดับทัศนะในอริยสัจดังกล่าวนี้เองรวมทั้งทัศนะเห็นในสัจจะแม้ในทางกรรมบทคือกระแสกรรมทางกรรมบาป บ, บุญคุณโทษประโยชน์ไม่ให้ประโยชน์ทั้งหลาย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 ในฉลาดรู้ในธรรมะของพระพุทธเจ้าผู้พระอริยะและเมื่อปฏิบัติก็จะทำให้ได้ทัศนะคือเห็นในสัจจะที่เป็นตัวความจริงอันมีสติที่พิจารณากายเวทนาจิตธรรมเหล่านี้นำให้ขัดเกล้าละอาสวะกิเลสที่นองกิตสันดาลไปโลําดับได้ ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจ